พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1อลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทไาวาสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าทำบุญอะไรได้เกิดเป็นพระอินวันนี้เป็นวันพระ วันนี้เป็นวันที่สามเมษายนพุทธศักราช2556ห้าสเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสี่วันนี้เป็นวันพระวันนี้ขอให้พวกเราทุกทุกท่น า, ทกทกทานคณะญ า, าติโยมถึงวันพระวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่ มีธุรการงานสําคัญข้างนอกก็ควรจะให้ความสําคัญทางด้านจิตใจก็คืออาหารใจอาหารใจอาหารกายอาหารกายคื อ, คอเรา ส, สแวงหาทรัพย์อาหารใจก็คือสแสวงบุญและก็วันนี้เป็นวันที่พออลำเพย กับญาติพี่น้องมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สงเมืองพิเคราะห์แน่ที่หลวงรับไปแล้วพวกญาติพี่น้องทั้งหลายได้มาทําบุญเห็นเก้าอี้หรือเห็นเต็นที่วางไว้ข้างล่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ผู้ที่ล่วงรับดับขันไป เนี่ยเราอยู่เบื้องหลังเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราบุตรธิดาทุกคนอย่างหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่เคยลดละอย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันที่ท่านทำบุญเปิดโลกธาตก็คือทำบุญยกประเด็นแม่องค์หลวงตาเป็นหลัก ที่เท่าที่ว่าทําบุญเปิดโลกธาตุนั้นก็คือทําบุญยกประเด็นของโยมแม่ของท่านเป็นวันทําบุญจากนั้นก็ท่านก็สงเคราะห์ทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกแต่องค์โลงตาท่านก็บอกทำบุญเปิดโลกธาตุถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังลําลึกถึงพระคุณบิดามารดา ครูอุปชาอาจารย์ถึงวันแล้วก็ลำลึกถึงแล้วก็ทำบุญุธิส่วนกุศลในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำบอกกล่าวเอาไว้ว่าพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้พวกเราก็จะทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านมาถึงจุดนี้นะพราท่านล่วงลับไปถามว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขภาระลาบสรรเสริญสุขนะถาว่าผู้ท่านล่วงลับไปแล้วตกทุกข์ได้ยากอย่างไร วิญญาณของท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้ทาไปนี่ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลห น, นุนถ้าท่านตกทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้คือความปรารถนาของพวกเราที่อยู่เบื้องหลังติดเป็นลูกเป็นหลานเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องลํำลึกถึงเพราะว่า ถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปพ่อแม่ถึงจะผ่านไปมรณะภาพไปแต่คุณงามความดีและว่าสิ่งที่มรดกที่ท่านมอบให้กับเรายังอยู่กับเราอยู่นะมรดกที่สาคัญคืออะไรที่พ่อแม่มอบให้มรดกที่สาคัญที่สุดก็คือร่างกายของเรา ตั้งแต่แตศีรษะจนถึงฝ่าเท้านี่แหละมรดกพ่อแม่มอบให้ตั้งแต่วันเรา เ, เกิดจากท่านท่านก็ดูแลพวกเราจนมาช่วยตนเองได้ดูแลพวกเราจนถึงกับเราช่วยตนเองได้จึงหมดภาระของพ่อแม่แต่ถึงยังไงท่านยังห่วงหาคิดถึงเมตตา ลูกของท่านอยู่จนถึงหายใจขาดหายใจเฮือกสุดท้ายที่ท่านระลึกลึกถึงลูกของท่านอันนี้แหละคือสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราทั้งร่างคือเป็นมรดกของพ่อแม่มอบให้กับเราเราจะถือเราจะบอกว่าเราไม่ได้รับมรดกพ่อแม่อันนั้นแปลว่าใช้ปัญญาสั้นเกินไปไม่คิดให้ไกล ถ้าคิดให้ไกลแล้วก็ น, นะมระดกของพ่อแม่อยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วเราจะเอามรดกของท่านไปสแสวงหาทรัพย์อย่างไรไปหาทุนอย่างไรถึงจะห่อเกยเมื่อได้ทุนนะทรัพย์ขึ้นมาแล้วก่อนนะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นกําไรก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่าน เพราะว่าตนทุนของท่านให้กับเรามีอยู่กับร่างกายของเราสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราคณะจัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ได้คิดเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยลดละไม่เคยลืมพระคุณของบิดามารดาบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุดโทธนะท่านก็ได้โปรดพระบิดา จนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อพระเจ้าจุดโทธนาสวรรคตไม่ใช่ว่าสวรรคตนะบอกพระเจ้าจุดโทธนะปรินิพานเพราะเหตุใดเพราะว่าพระเจ้าจุดโทธนะนภาวนาจนได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะปรินิพานก่อนที่จะตายส่วนมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็ดวัน พระมารดาก็สวรรคตขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านาก็ยังขึ้นไปโปรดเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าพระมารดาท่านลงมามาอยู่ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าไปจำมันสาชั้นดาวดึงชั้นพระอิ์อยู่ชั้นพระอิน และเทวดาและเทวบุตรที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงถึงสามเดือนพระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดาถึงสามเดือนในพรรษาหนึ่งในพรรษา45ส้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นท่านจึงได้เสด็จลงมาสู่เมืองมนุษย์ที่บอกวันตักบาดเทโหนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่เมืองโลกเมืองมนุษย์นี่แหละสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าถึงท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ยังไม่เคยลืมพระคุณของบิดามารดาของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นพวกเรา เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าดำเนินเดินตามแนวแถวของพุทธนะพวกเราก็ควรจะลำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ของเราเป็นอันดับแรกจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นกับผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายถ้าว่าผู้ใดก็ตามล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการะคุณ อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปกระคุณไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้นั้นมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าผู้ดใดเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีอุปกระคุณถึงคิดว่าตัวเองเจริญมีความร่ํารวยเหนือกว่าใครแต่ส่วนลึกของใจแล้ว มันไม่สง่ามันคล้ายๆความเป็นสิ่งที่มืดบอดเป็นทางตันอยู่ในจิตใจลึกๆของคนคนนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราทำได้ทั้งสองอย่างรำลึกถึงพระคุณด้วยหน้าที่การงานด้วยดึงศีลธรรมด้วยถ้าพวกเราเดินไปทั้งสามความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจพวกเราก็มีแต่ความสุขผาสุข ทางด้านจิตใจลึกๆอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะจัตยาญาติโยมทุกๆท่านนะีการสั่งสมคุณงามความดีนำสุขมาให้นะอย่างพระอินอย่างที่หลวงพ่อว่านะพระอินอยู่ชั้นดาวดึงผู้ที่จะทำตนให้เป็นพระอินนั้นสร้างบารมีอะไรนะอันนี้ก็มีคนถามนะในครั้งพระพุทธเจ้านะในครั้งพระพุทธการเนะ เอาถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันที่ท่านได้ตัดรู้ก็ว่าจุปะปะปะปะตูปปาแตยานการจุตจิการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ว่าคนคนนี้มาเกิดอย่างนี้เพราะบาปกรรมอะไรเพราะบุญอะไร อันนี้สงอะไรได้ทำคุณงามความดีไว้อย่างไรเขาจึงได้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างนี้แต่คนนี้ทำไม่พิ่กงพิการแล้วยังไม่แล้วยังหูหนวกตาบอดยังมีอุปสรรคนานับประการจนรับไม่ไหวเขามีกรรมอะไรที่การกระทำของเขาเพราะพระทุทธเจ้าท่านมองรู้หมดเพราะท่านรู้จุตูปปาทยาน ธร น, นยาณขึ้นมายานรัศนะขึ้นมาการตุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช้กรรมยังไงกรรมดียังไงกรรมชั่วยังไงคาว่ากรรมเาเนียเป็นคำกลางๆนะบวกว่าชั่วดีตนีย้ยังเป็นจึงว่ากรรมดีแปลว่าเป็นกุศลเป็นมีความสุขกรรมชั่วแสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีมีแต่เรื่องทุกข์กรรมชั่ว กรรมดีคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะถามว่าพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นใหญ่ในชั้นสวรรค์เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินปกครองแต่ละประเทศได้ทําบุญอะไรไว้จึงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คนทั้งหลายก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพระอินทร์ทําบุญอะไรไว้จึงได้เป็นพระอินทร์พระพุทธเจ้าก็บอกว่า พระอินที่จะเป็นพระอินได้ต้องทําบุญเกี่ยวกับสาธารณชนสาธารณกุศลสาธารณะมนุษย์ต้องการอะไรคนคนนั้นจะเป็นผู้เสียสละให้กับคู่คนทั้งหลายสักอย่างมัคคามานพท่านก็ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยมัคคามานพเป็นชาวชนบทก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอิน ท่านสร้างบารมีท่านก็ไปเห็นมีถ้ามีการมีงานมีมรรคมหอรศบที่ไหนท่านจะไปยืนกัปัดปัดเอาเท้าน่เกียเกียเกียให้มันสะอาดตรงนั้นพอท่านไปยืนอยู่ตรงนั้นคนทั้งหลายก็เห็นว่ามันสะอาดก็อพักผักมักขามานบออกเขาก็เข้าไปยืนแทน จากนั้นมามัคคมานพก็ทําให้กว้างขึ้นอีกคนทั้งหลายก็เข้าไปเยืนเอ็กผักมักคคมานพออกไปอีกมักคคะมานพก็เออคนทั้งหลาย น, นี่ชอบที่สะดวกสบายฮย่ากนั้นมัคคะมานพก็จะเป็นงานเป็นการที่ไหนมัคคมานพจะต้องปัดกวาดทําทความสะอาดทหาที่นั่งให้เขาด้วยอต่อมาคนทั้งหลายก็ มาแย่งที่นั่งเอาให้ไม่โกรธเลยมิแต่ดีใจอีกต่างหากเมื่อเขามาแย่งที่นั่งของตนเองฮะไม่แสดงอากับกิริยาเลยมิแต่ยินดีให้เขาได้สะดวกสบายฮะจากนั้นก็คิดสร้างถนนเลยนะสร้างสนามแล้วก็สร้างถนนพอสร้างถนนขึ้นมาก็มีหมู่สมัครพักพวกเข้ามาถึงคนทําความดีมันก็มีเหมือนกันนะคนทําความชั่วก็มีเหมือนกัน ปาโลก น, นมันมีทั้งหมูมแมลงผูมแมลงพึ่งมแมลงวันเขียวมแมลงวันทองอะไรมันก็เป็นหมู่ของใครของเรานะ่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีก็มีหมูมีเพื่อนอีกเหมือนกันเห็นว่าเออเขาทำถนนข น, น, นทางเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์พอทำขึ้นมาเนี่ยจะมีคนอิจฉาเหมือนกันนะเนะี่ย กดอิดฉาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอีกเหมือนกันนั่นแหละคำว่าเอ๊ะมัคคามนพเนี่ยมันทำอันเนี้ยมันรวมมวลชนเข้ามาเนี่ยมันคงจะปฏิวัติอะไรสักอย่างหนึ่งแหะมันจึงทําแบบอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีใครรู้เนเอจากนั้นเจ้าเมืองก็เลยเรียกว่าปฏิวัติหรือว่าแข็งข้อหรือว่ารวมมวลชนเนี่ยมันไม่เป็นที่สบายใจของผู้ใหญ่ในแผ่นดินเน เรียกมันมาสิมัคคามนกมาเรียกก็ถามว่าทำไมแกทํายังไงทำไมรวมมวลชนทําถนนหนทางทําไปเพื่ออะไรคิดเพื่ออะไรเออมัคคามนกอธิบายให้ฟังข้าพระองค์ไม่ได้คิดอะไรมีแต่อยากจะรู้ช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่เออถ้าเป็นลักษณะนี้เอ้าเอาช้างให้ตัวหนึง่งเออแต่นี้มัคคามนกมีทั้งหมดมีอยู่สามสิบสองคน บริวารหมู่เพื่อนก็มีเอาช้างให้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าจะบางทีขอนไมใ้ใหญ่ๆนักๆจะได้ช้างาจะได้ช่วยลากดึงออกจากถนนหนทางนะ่ะแต่ที่มรค้านุก็เป็นหัวหน้านะพัฒนาไปเรื่อยจนถนนหนทางในหมู่บ้านในชุมชนนะนะั้นรู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นมาพอมีคนทั้งสามสิบกคนเป็นคนทำนะจะนั้นคิดใหญ่ขึ้นมาอีกเนะี่ย ถ้าเรามีศาลาชุมชนสักหลังหนึ่งคงจะดีฮะคืดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจากนั้นก็กสร้างศาลาขึ้นมาอพอสร้างศาลาขึ้นมาทีนี้ก็เอบริเวณก็กว้างขวางคณะที่สร้างศาลานบอกว่าผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงมาใกล้ทั้งหมดให้แต่ผู้ชายพวกเนี่ยนะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงมาแล้วเดี๋ยววงแตกเลย ผู้หญิงก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะในครั้งสมัยก่อนนะเอเข้าไปวงไหนวงนั้นแตกเหมือนกันอนะมคคะมานพไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้นะแต่มัคคะมานพหนึ่งมีเมียอยู่สี่คนนะท่านเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีแฟนอยู่สี่คนคงจะเป็นบุคคลสําคัญอยู่นะคนเห็นด้วยชื่อนางสุธรร ม, มานางสุจิตานางสุนันทานางสุชาดาเนะชื่อของมคคมานพเมียของ มขามานพนะอจากนั้นมขามานพเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ผู้หญิงมาใกล้ให้แต่ผู้ชายอจากนั้นนางสุธรรมมาเนี่ยก็อเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรเนาะที่สามีของตนเองอไปสร้างศาลาขึ้นมาแล้ว น, ะนางก็ทำไปแอบทําป้ายขึ้นมาเนอะพอทํำป้ายขึ้นมาป้ายสวย ชื่อว่าสาลาสุธ ร, รมมาเอกคนหนึ่งบอกว่าน่าจะมีช่อฟ้าขึ้นมานางคนหนึ่งนะนางสุจิตตาหน่าจะมีช่อฟ้าจะสวยมากครับทำได้ทำขึ้นมาเอกแต่คนนึ่งเอก เ, อเราน้าจะทำสวนใครเข้ามาก็จะได้ดูแลสวนอาบน้าขึ้นมาแล้วก็จะดูต้นไม้ ดูสวนดอกไม้ชมสวนดอกไม้น่าจะดีฮนางสุนันทาเนี่ยเป็นคนคนคิดขึ้นมานะแต่นางสุชาดาเนี่ยเอ้ยข้าเป็นแฟนของมัคคะมานพแล้วเคล้ายๆว่ามัคคะมานพรักเมียน้อยเนี่ยมากกว่าใครอื่นว่างั้นเถอะนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนชุดท้า ย, ยนางสุชาดาเนี่ยชอบแต่งตัวอยู่ตลอดสวยงามเลยเ <c oughs> มียมัคคะมานพ อันนี้หลวงพ่อพูดตามนิทานนะใครใครให้ฟังเอาไว้ทั้งน่ะนนี่นิทานมาอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดตามนิทานจะพูดกระโดกกระเดกก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่นิทานเป็นมาอย่างไงก็พูดตามนั้นไอจากนั้นก็นางสุธรรมมาเนี่ยก็ประกาศว่าหาคนไปพูดน่าย่ายจะเอาแผนป้ายไหมเออเอาเอามานทูเสี มาแข่งกันอีกแต่นนเนี่ยนางสุธมาเนี่ยทําได้สวยเอ อ, ออเ อ, อาได้ๆเ อ, อาใสเข้าไปเลยชื่อชื่อสุธรามนะไอ้ทั้งนั้นก็นางจกยกโซฟาเนี่ยก็ทำอีกทำโซฟาได้สวยแข่งกันอีกเขาก็ายกให้อีกอา้าวนางสุงสจิตาเนี่ยอทํางกัามนางสุนันทานเนี่ยก็ขอทําสวนแต่ไม่ไม่ใช่ตัวเองเข้าไปทํานะให้คนบริวารเขาไปทําพวกคนผู้ชายเนี่ยเขาไปทําอแต่เงนินทุนทรัพย์ของตนเอง เป็นคนออกหัวเป็นคนจัดการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นก็คงจะเขียนแผนที่ให้นะ่ะเขียนแปลนไวนะ้น่ะควรจะทำยังไงควรจะทำยังไงลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นขอนางสุชาดาก็ไม่ได้ทำอะไรนะมีแต่แต่ง ต, ต, ตัวสวยงามตนเองเหมือนแฟนของข้าทำก็เหมือนกับข้าทำน่ะนางคิดอย่างนั้นไล แต่เราไม่ได้คิดนีหลักของพุทธศาสนาเนี่ยใครกินก็ใครอิ่มฮะกินต่างกันไม่ได้ใครสร้างบุญคนนั้นก็ได้กับอนุโมทนาสาธุเออเป็นเงินมรดกหรือเงินก้อนเดียวกันทำมาค้าขายเอออันนั้นได้อีกส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นความคิดของแต่ละคนกําลังแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวกันจากนั้นก็พอต่อมากับนาง สุจิตตานางสุธรรมากับศาลาขึ้นมาโอ้ฉลองใหญ่เลยแท่าพวกบริวารมคามานุกอ์เฉลี่ยใหญ่จากนั้นก็ต่อมากับอายุสังขารก็โล่งรยไปตามอายุสังขารพอตอ น, นเวลาเกิดพอเราขึ้นไปเนี่ยมัคามานกก็เลยขึ้นไปเป็นพระอินทร์บนสวรรค์อเนกสง์การทําสร้างศาลาสร้าง พิกที่พักพาอาศัยสาธารณะประโยชน์ช้างต น, นั้นก็ขึ้นไปเป็นช้างเอราวัณช้างสามหัวจากนั้นก็เทวบททั้ง32สองคนเนีขึ้นไปนั่นะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่นางสุจิ ต, ตานางสุนันทา น, นางสุธรรมมาขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แต่นางสุจิ ต, ตาเนี่ยขึ้นไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างบุญอะไรเลยจากนั้นนานไปเกิดเป็นนกยางบ่เนี่ยเป็นคนละทางกันเนี่น่แหละกรรมจำแนกสัตว์เนี่ยทั้งที่พระอินทร์ขึ้นบนสวรรค์นางชูชานาเนี่ยไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในริมหนองหนองน้ำฮะนกย่างนกกระยางขาวแต่นี้พระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์ขึ้นมาเอ้พวกเราขึ้นมาหมด เทวบุตรทั้ง32คนช้างเอราวันก็ขึ้นมานางสุนันทาสุจิตตานางสุธรรมมาขึ้นมาหมดยังเหลือแต่สุชาดาเนี่ยทำไมหายไปไหนวะเน่คือยอดคือภรรยายอดที่รักน่ของพระอินทร์เหมือนกันเถ อ, เอะทีเดียก็มองไปมองมาเอไปที่ไหนนาพอมองดูบุพกรรมแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ริมหนองน้ำอยู่ในกลางโคกที่ทางหากัก น้องแห้งแห้งอีกต่างหากไล่ยหาจิกตะ ก, กระแตนตัวนั้นตัวนี้กินอีกต่างหากมาน้องมันแห้งใช่ไหมพระอินทร์มองเห็นแล้วโอ้ตายนางสุชาาไม่มีส่วนร่วมเดี๋ยวเราจะลงไปจนันนัยพระอินทร์ก็ลงไปจำแรงเป็นเป็นมรคามานบทะก็เลยจำแรงลงไปบอกว่าเอ้ยสุชาดาแกได้เป็นนกจะแล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์ไหมไปชมสวรรค์หม นางนี่ก็ยังไม่เคยเห็นสวรรค์ใช่ไไปอยากจะไปไปฆ่าเพื่อนนกยางว่านะไปอินก็เลยอุ้มนกยางตัว น, นั้นขึ้นไปขึ้นไปบนสวรรค์พอไปเห็นนางสุธรรมาารรมานางสุจิตานางสุนันทานแล้วแต่นี่เห็นพวกนั้นพวกนั้นก็เยยหยันเหตุทําตาหวานตาส้มใสขนาด น, นกกระยางตื้มก็ะอายเลยแต่นีนนน่เพราะมันเป็นเป็นนกใช่ไหมลนะ่ะพวกนั้นเป็นเทวดาใช่ไหม อนางก็ก้มหน้าอยู่ตลอดนางจุชาดานกยางตัวนี้โอ้ยขอดิฉันลงไปอยู่ที่เก่าเทินเหมือนกนถึงอยู่ที่นี่เลยมีความสุขก็จริงอยู่แต่มันทุกข์ใจเหมือนกันพอพว ก, พวกทั้งสามนางมันเป็นเมียของมคคะมารุมันเยอ์หยันเอ่าไดูถูกอ ย, อยู่โดยในเหมือนกันนางคนนี้นางจุชาดาเนี่ยก็เลยขอลงมากลับมาที่เก่าเทิน พีเอ็นก็บอกเออเอากลับลงไปที่เก่าก็ได้แต่อย่าไปกินอย่าไปกินสัตว์นะให้รักษาศีลห้านะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกไม่ดื่มสุราให้รักษาศีลห้านะเดี๋ยวจะขึ้นมาเกิดบนสวรรค์ได้ถ้ามีศีลศีลห้าและก็ตั้งความปรารถนาในใจว่าขอให้ข้าได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเทิดนะเออให้เขา้าให้จิตมุ่งมั่น ขึ้นมาบนสวรรค์นางสุจดาก็ยินดีปฏิบัติตามพระอินก็ส่งนกกระยางตัวนั้นลงมาที่ไว้ที่เก่านกกระยางตัวนั้นก็ไม่กินสัตว์หะไรทีนัตตัวไหนที่มันตายเจ้าก่อนยังกินถ้าสัตว์ตัวไหนไม่ตายมันก็ไม่กินเลยตอนนี้พระอินลงเอ็นกกระยางเนี่ยมันจะรักษาศีลจริงหรือเปล่านะพระอินทดลองเลย พระอินทําจะท่าเป็นเป็นเขียดใช่ไหมเน่ย เ, เป็นเขียดกระโดดจักยักยักไปสักดาดดาดดาดามันก็ตายใช่ไหมเขียดตายนางนกกระยางได้มันกระิ่งดุดุดุดุดไปมนะัไปมันก็เอาจะงอยปากเขียดเขียดดูไอเขียดตอนนั้นมันก็ทําท่ากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนกกระยางตอ น, น, นก็ไม่กินฮะไม่กินเพราะมันยังมันยังไม่ตายฮะพระเองก็เลยขึ้นมาบนสวรรค์อืใช่นกกระยางมันรักษาสิทจริงว่ะ มันคงอยากจะขึ้นมาบนสวรรค์จากนั้นนกกระยางไม่ได้มีอาหารกินใช่ไหมมันจะหาสัตว์ตายกินมันหาได้ที่ไหนเห็นไหมพอจากนั้นมาก็สุกผอมลงไปเรื่อยๆนกกระยางตอนนั้นก็เลยตายตายเพราะการรักษาศินตั้งอกตั้งใจเสียสละเพื่อศินรักสินยิ่งกว่าชีวิตของตนเองจากนั้นพอตายจากนกกระยางพระอินทร์ก็เลยเอารวมกันขึ้นเรื่อง ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ก็เลยครบไลยครบทั้งสี่ไนี่แหละนางสุชาดาขึ้นเป็นคนจุดท้ายที่พระอินทเมตตาอันนี้แหะคือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นมาในพระไตรปิฎกได้ไม่ใช่ปลำปรานิทานเรื่องนี้นะหลวงพ่อได้ฟั ง, ฟ, งฟังนุ่นพ่ออื้อเป็นสิ่งที่น่าคิดสรุปแล้วก็คือพระอินทผู้ที่จะเป็นพระอินทได้ต้องทําสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางความโกรธไม่มีในใจพระอินทร์ในขณะที่ทาสร้างบุญสร้างกุศลความโลภความโกรธความหลงพยายามให้อยู่นอกใจของของผู้สั่งสมบาลมีนี่แหละนิทานหรือว่าชาดกลวนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสังสมบาลมีการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ก็เลยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้สั่งสมสร้างบุญสร้างกุศลการที่จะสร้างที่พักพาอาศัยกบรวนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราปาฐนาบุญกุศลถ้าทําอะไรก็ตามพอทําแล้วก็ฟัดก็เฟียดหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้างีกหน้างอนไปเกิดอยู่บนสวรรค์มีทิพย์วิมานมีทิพย์วิ ม, ม, ม, มานก็ไปเกิดเปิดเป็นยักษ์แล้วพวกเนี่ยเปิดเป็นยักษ์หน้าบูดหน้าเบี้ยว เหมือนกับยักอยู่หน้าวัดสีมวาดอย่างนั้นแหะเห็นไหมถือตะบองด้วยกันนะเขี้ยวก็งอกอีกต่างหากหน้าก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนตาเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอยู่แต่ว่าจิตใจอารมณ์โทสะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกห ล, ลานทุกคนนะการที่จะสร้างสังสมบุญกุศลต้องใจดีต้องใจเย็นต้องใจมีเหตุมีผลนั่นแหะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตจู้ใจ ของคนคนนั้นอันนี้แหละพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวท่านแนะนําเอาไว้นะให้ฟังเอาไว้นะถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ฟังเอาไว้ก่อนนะชอบฟังเอาไว้แล้วไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนฮะมันไม่เห็นหนักใจที่ตรงไหนอย่างอื่นที่เราคิดเราแบกมันหนักกว่านี้นะ <Yeah. S 1> แต่นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ฟังเอาไว้ <Yeah. S 1> ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ ถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นไม่เห็นด้เดือดร้อนใครมีแต่ความยกย่องสนรเสริญเชิดชูบูชาในชุมชนทั้งหลายที่เราสร้างคุณงามความดีนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร